บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปพระพุทธคุณบทว่าอนุตตรปริสธรรมสารติที่แปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างยอดเยี่ยมไม่มีสารถิอื่นจะยิ่งไปกว่านั้น ยังมีนิยะที่ควรทำความเข้าใจอีกตอนหนึ่งคือวิธีการในการฝึกคนของพระพุทธเจ้าการฝึกคนของพระพุทธเจ้านั้นทรงอาศัยการจำแนกคนเป็นสี่ประเภทตามดอกบัวสี่เหล่าอย่างที่เคยกราวมาแล้วและก่อนที่จะสั่งสอนใครฝึกใครนั้นทรงสวจดูสัตวโลกเหล่านั้น ด้วยประยานเสียก่อนจนอย่างรู้ทราบชัดถึงอุปนิสัยบารมีอินทรีย์ของบุคคลซึ่งแตกต่างกันเวลาทรงแสดงธรรมจึงทรงแสดงไปตามเหมาะตามควรแก่อัตยาัยเป็นต้นของบุคคลเหล่านั้นคนประเภทที่ทรงสั่งสอนนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธเวไนคือผู้ที่ พอแนะนำให้เกิดความรู้ธรรมะในชัน้นนั้นๆได้หลักการฝึกของพระพุทธเจ้าเมื่อกล่าวโดยสรุปก็มีอยู่สองหลักสามหลักด้วยกันหลักแรกคือใช้หลักคมได้แก่มีการตำหนิบ้างมีการชี้แจงแบบรุนแรงเพื่อให้เกิดความสำนึกบ้าง อีกวิธีหนึ่งก็เป็นวิธีที่นิ่มนวลอ่อนโยนวิธีที่สามก็คือว่าใช้สองวิธีนั้นปนกันตามกาละที่เหมาะที่ควรท่านจึงจำแนกพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าออกโดยสรุปเป็นสองประเภทด้วยกันที่เรียกว่านิยหะเทศนาคือทรงแสดงพระธรรมเทศนาแบบกล่าวข่มก่อนเพื่อลดหย่อน มานะทิติความดื้อรั้นของบุคคลเหล่านั้นให้อยู่ในจุดที่ควรแก่การรับฟังธรรมะซึ่งประกอบด้วยเหตุผลข้อนี้พึงดูตัวอย่างการเสด็จไปธรรมาลุราณนชดินหรือท่านชดินผ่านรูปซึ่งมีความเชื่อถือว่าตนเองเป็นพระอราหันต์แต่พระพุทธเจ้าไม่เป็นพระอราหันต์ดังนั้นก่อนจะแสดงธรรมะ พระพุทธเจ้าจึงต้องทรงแสดงฐานะที่เหนือกว่าให้ท่านเหล่านั้นทราบเสียก่อนจนจิตใจของท่านอ่อนโยนยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าต่อแต่นั้นจึงแสดงธรรมการแสดงธรรมะจึงต้องอาศัยความพร้อมของผู้ฟังที่บาลีท่านใช้คําว่ากัมเนยะคือจิตใช้งานได้ไม่ใช่ผู้ฟังฟังในขณะที่มีความโกรธ มีปาณะมีความกระด้างออกมาในลักษณะต่างๆเพราะถ้าหากว่าสั่งสอนกันในช่วงนี้ก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่ว่าบางคราวเพื่อจะกำราบความรู้สึกเหล่านั้นจึงต้องใช้หลักของนิกหะเสียก่อนคือการกล่าวผมกล่าวตำหนิเช่นทรงจัดการกับภิกษุบางรูปซึ่งมีความคึกขนอง ไม่ละนิสยัยความเคยชินในอดีตของตนเวลาเข้ามาสู่พุทธสํานักมีอาการกริยาไม่เหมาะไม่ควรส่งเสียงอึกกระทึกโครมเป็นตนถ้ามาในกรณีนี้ก็จะรับสั่งถามพระอนทน์ว่าใครส่งเสียงอึกกทึกยังไงชาวประมงแย่งปรากันเมื่อพระอนุนกราบทูลให้ทรงทราบก็รับสั่งให้ไล่ออกไปเสียเมื่อท่านเหล่านั้น ออกไปจากพุทธสำนักเกิดความสำนึกขึ้นมาเห็นว่าจิตใจอ่อนโยนแล้วสำนึกความผิดดีแล้วก็รับสั่งให้เข้าเฝ้าต่อแต่นั้นจึงจะแสดงธรรมะแก่ท่านเหล่านั้นคนในยุคในสมัยใดก็ตามลักษณะความรุนแรงของกิเลสจำพวกมานะจำพวกโทสะจำพวกทิฏฐิมักจะเกิดขึ้นกลุ่มรวมจิตใจของบุคคลเหล่านั้น กว่าจะปรับจิตให้ยอมรับนับถือใครได้ก็ต้องใช้เวลานานพระธรรมเทศนาในส่วนนี้จึงต้องใช้หลักของนิกกะะคือการกล่าวคมด้วยคนเหล่านั้นเกิดความสำนึกเสียก่อนอย่างมีพราหมณ์ท่านหนึ่งชื่อมานาทัตตพราหมณ์ไม่ยอมไหวแม้แต่มารดาบิดาของตนเองเมื่อมาถึงพุทธัสนักโดยมีความตั้งใจว่า ถ้าพระพุทธเจา้าสนทนาด้วยท่านก็จะสนทนาด้วยถ้าพระพุทธเจ้าไม่ยอมทักท่านก่อนท่านก็จะไม่สนทนากับพระพุทธเจ้าเมื่อมาถึงพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะเรื่อยไปท่านรอคอยให้พระพุทธเจ้าทักพระพุทธเจ้าไม่ทักท่านก็เกิดความคิดรูปขึ้นมาว่าพระสมณะโคดมไม่รู<ถ> 85, ้อะไรไม่รู้ความสาคัญของเราพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งว่า ดูก่อนพราหมณ์ความคิดเช่นนั้นไม่ดีเป็นการเพิ่มมาณะความถือตัวให้สูงขึ้นมณะทัตตพราหมณ์ตกใจว่าแม้แต่ความคิดพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้จึงมีจิตใจอ่อนโยนลงแล้วก็กราบทูลเรื่องความนึกคิดของตนแด่พระผู้มีพระภาคกาบรับสั่งชงสนทนาด้วยเป็นเวลาพอสมควรแล้วเห็นว่าจิตใจพร้อมที่จะฟังเหตุผล จึงแสดงธรรมแก่ท่านมานัตทัตพรามผู้นั้นและในที่สุดก็กลายเป็นพระยะบุคคลขึ้นมาได้พระธรรมเทศนาอีกส่วนหนึ่งนั้นเรียกว่าอนุกหะเทศนาคือเป็นการกล่าวด้วยความอนุเคราะห์สงเคราะห์แก่บุคคลผู้นั้นตามปกติแล้วบุคคลผู้นี้มักจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะฟังธรรมะพวกนั้น ใจิตใจหดทูตกต่ำคว้าเวเดียวดายอีกพวกหนึ่งซึ่งในพวกหลังนี้จําเป็นจะต้องปลูกปลอบให้เกิดความอบอุ่นให้มีความเชื่อมั่นใจเสียก่อนแล้วจึงจะแสดงธรรมแก่ท่านส่วนประเภทแรกนั้นก็อยู่ในสภาพพร้อมอยู่แล้วเป็นแต่เป็นแต่การแสดงธรรมะให้คล้อยตามจริตอัธยาศัยก็สามารถที่จะรับผลแห่งการประพฤติธปฏิบัติธรรมได้ แต่เนื่องจากพื้นเพของคนที่เกี่ยวข้องกับอินทรีย์ทั้ง5ประการคือพวกศรัทธาความเพียรสติสมาธิและปัญญาแตกต่างกันบางคนต้องการผลสารพัดอย่างได้แรงกระตุ้นของกิเลสสายโลภะแต่ว่าความพยายามในการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลอ่อนรือเกิดคนบางพวก ต้องการผลในลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันแต่มีความเพียรพยายามพอปานกลางส่วนบางพวกนั้นต้องการผลสูงสุดด้วยมีความเพียรพยายามอย่างยวดวยุ่งด้วยและเพื่อให้เกิดผลแก่บุคคลทั้งสามประเภทนั้นธรรมะที่ทรงแสดงบางอย่างจึงง่ายสำหรับคนที่ต้องการผลมากแต่ต้องการลงทุนน้อยเช่นทรงแสดงโดยอุปมาว่า แม่บุคคลจะขุนเข้าวันละร้อยกระทะเลี้ยงคนเป็นอันมากวันละสามเวลาแต่ก็สู้การที่บุคคลทําจิตให้ประกอบด้วยเมตตาในสัตว์ในสัปสัตต์ทั้งหลายปรารถนาที่จะเห็นความไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่เบียดเบียนกันไม่มีความทุกข์และอยู่เป็นสุขตามสมควรแก่อัตภาพของสัตว์ทั้งหลายเมตตาที่เกิดขึ้นได้ ในลักษณะนี้ซึ่งบุคคลให้เกิดขึ้นวันละสามครั้งมีผลมากกว่าการหุงข้าเลี้ยงคนวันละร้อยกระทะสามเวลาจะอีกซึ่งเป็นการแสดงว่าถ้าหากว่าบุคคลนำธรรมะคือเมตตามาประพฤติปฏิบัติแม้ให้เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะหนึ่งซึ่งทรงใช้คำอุปมาว่าชั่วลัดนิ้วมือเดียวหรือว่าชั่วไก่ปกปก อันที่จริงก็เป็นขณะเพียงเล็กน้อยแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วได้ขจัดกิเลสสายโทสะให้บรรเทาประบางลงไปในขณะนั้นปรากฏว่ามีผลมีอานิสงส์มากกว่าทานที่บุคคลบริจาคด้วยขงข้าววันละร้อยกระทะเลี้ยงคนวันละสามเวลาดังกล่าวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนมีฉันทะอุตสาหะในการปฏิบัติธรรม แม้แต่ใช้ความเพียรพยายามไม่มากแต่ว่ามีผลในการขจัดกิเลสในัานนั้นๆยังมีผลมีอานิสงมากดังที่กล่าวแล้วผู้ี่เกียรตคฌานมีความเพียรยอดย่อนก็สามารถปฏิบัติธรรมะในจุดนี้ได้แต่ว่าการสอนในลักษณะนี้พึงสังเกตว่าเป็นอุปาเยวิธีหรือเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งเพราะคนเราถ้าลองจิต ประกอบด้วยเมตตาได้แล้วต่อไปก็จะเกิดความสารวมระวังในศาสตร์ทั้งหลายศีลทั้งห้าก็จะเกิดขึ้นเองได้โดยอัตโนมัติไม่จำเป็นจะต้องไปตั้งจิตสารวมระวังอะไรเพราะในขณะที่จิตประกอบด้วยเมตตานั้นคนฆ่ากันไม่ได้ลักทรัพย์กันไม่ได้ประพฤติผิดในกาไม่ได้โกหกไม่ได้ลดื่มสุราเมไรัยไม่ได้เนื่องจากกุศลคือเมตตาคุ้มครองใจอยู่ ลักษณะธรรมเทศนาที่เป็นอุปายะพ่อนคลายความรู้สึกของบุคคลที่รู้สึกว่าหนักเกินไปแล้วให้มีความเห็นว่าเบาลงในขณะเดียวกันผลจากการประพฤติปฏิบัติเท่ากันนั้นมีอยู่เป็นอันมากเช่นภิกษุรูปหนึ่งมีความรู้สึกว่าการปฏิบัติตามพระธรรมและประวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและแสดงไปนั้นโดยเฉพาะปัญหาเรื่องวินัย เหมือนกับนอนกลางฝากน้ำไม่สามารถกระดิกกระเดี้ยได้จึงปรารถนาที่จะสึกออกไปเพราะเห็นว่าศีดมากเกินไปพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าเธอจะรักษาเพียงอย่างเดียวได้ไหมภิกษุนั้นมีความรู้สึกเบาลงคือไม่ต้องรักษาศสีดมากท่านก็ตกลงรับคำจึงสาตว่าขอให้รักษาจิตเพียงอย่างเดียวอย่าคิดไปในอารมณ์ภายนอกเท่านั้น ไม่ต้องไปรักษาศีลจำนวนมากแก่านั้นซึ่งแน่นอนว่าถ้าบุคคล ร, รักษาจิตไว้ได้ไม่คิดไปในอารมณ์ภายนอกผลจากการประพฤติปฏิบัติก็กลายเป็นศีลจะเป็นกี่ข้อก็ตามข้อนี้จึงกลายเป็นอุปาเยวิธีที่จะน้อมนำคนซึ่งมีความเพียรหย่อนแต่มีศรัทธาพอสมควรให้สามารถประพฤติปฏิบัติธรรมะได้โดยไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องยาก และเป็นเรื่องหนักเกินไปส่วนบุคคลประเภทที่สองที่มีความเพียรพยายามพอประมาณมีศรัทธาพอประมาณนั้นก็จะทรงแสดงธรรมะในลักษณะที่เต็มรูปขึ้นมาเช่นเมื่อบุคคลปรารถนาความเป็นเทวดาในชาติปัจจุบันก็ทรงแสดงหลักที่เรียกว่าเทวธรรมคือการปฏิบัติตนให้เป็นเทวดาในปัจจุบัน สำหรับคนที่มีความเพียรพยายามระดับนี้ก็ทรงสอนให้มีหิริคือความละอายแก่ใจโอตระปะคือความสะดุ้งกลัวต่อบาปเมื่อมีธรรมะทั้งสองประการนี้เป็นหลักคุ้มครองใจยอยู่แล้วอาการทางกายทางประจาก็จะเป็นไปในคันลองแห่งกุศลและธรรมเอกธรรมะเพียงสองประการจึงกลายเป็นโลค ก, กบาลคือคุ้มครองสัตว์ตวโลก และคุ้มครองโลกไว้ได้ทำให้ผู้ปฏิบัติกลายเป็นเทวดาในปัจจุ บ, บันสมมาบุคคลประเภทที่สามที่มีความเพียรพยายามสูงมีศรัทธาแกร่าพร้อมที่จะกระทาเพื่อผลอันตนมุ่งหมายนั้นก็จะทรงแสดงธรรมะในลักษณะที่เต็มรูปเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านั้นเช่นบุคคลต้องการจะเป็นเทวดาในอัตภาพปัจจุบันแทนที่จะพูดเฉพาะฮิริกตตปะเท่านั้น ก็จะส่งเน้นไปที่เทวธรรมครบทั้งห้าประการคือศรัทธาสัมปทาสมบูรณ์ด้วยศรัทธาศีรสัมปทาสมบูรณ์ด้วยศีนสุตะสัมปทาสมบูรณ์ด้วยสุตะคือการศึกษาการสดาปสับวังจาระสัมปทาสมบูรณ์ด้วยการเสียสละการบริจาคทั้งฝ่ายกิเลสอารมณ์และวัตถุสิ่งของปัญญาสัมปทาสมบูรณ์ด้วยปัญญา แต่ว่าในาชั้นของการปฏิบัติแล้วก็จะเห็นได้ว่าเมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติไปในส่วนของฮิริโอตปะตนนั้นเป็นการปิดกั้นกระแสะแห่งบาปแผงอกุศลเอาไว้แต่มาถึงชุดที่สองกลับสามารถทำลายพวกกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพวกโลภะตัสะโมหะให้บนเทาเบาบางลงไป ทำให้บุคคลมีภูมิต้านทานภายในจิตใจสูงความจะเป็นในการใช้ฮิริโอตปะซึ่งจำเป็นต้องมีนั้นก็จะบังเกิดขึ้นเองด้วยการปฏิบัติตามธรรมห้าประการที่กล่าวในตอนนั้นการแสดงธรรมะในลักษณะนี้ส็ามาบุคคลบางพวกซึ่งตกอยู่ในสภาพที่วะเวทเดียวได้ขาดที่พึ่งพรมนักทางจิตใจ ก็จะมีการปลอบประโลมให้เกิดกำลังใจขึ้นมาก่อนอย่างภิกษุรูปหนึ่งท่านสูญเสียหมดทุกอย่างบ้านช่องญาติพี่น้องก็ตายไปหมดสิน้นการประพฤติปฏิบัติธรรมะในศาสนาของท่านเองก็ไม่เจริญทำให้เกิดทอดถอนอะไรในชีวิตไม่ปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปพระผูมีพระภาคยาวสเสด็จไปหาท่านรูปนั้นแล้ว ก็รับสั่งปลอบประโลมว่าติดสะไม่เป็นไรเธออย่าเป็นทุกข์ใจตถาคตจะเป็นที่พึ่งของเธอเองตถาคตจะช่วยเธอเองเมื่อได้รับการการปลุกปลอบในลักษณะนี้จิตที่ตกไปหดผู่ไปก็มีกาลังพร้อมมีกาลังบังเกิดขึ้นพร้อมที่จะต่อสู้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตและเมื่อ จิตใจของท่านอยู่ในสภาพพร้อมแล้วเวลาแสดงธรรมะผลประโยชน์ก็บังเกิดขึ้นแก่ท่านเหล่านั้นหลักการฝึกนเรชนของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยักย้ายไปตามเหมาะตามควรแก่บุคคลเหล่านั้นและด้วยการฝึกวิธีต่างๆนี้เองทำให้คนซึ่งมีพื้นฐานบารมีอัธาายาศัยที่แตกต่างกัน บางคนหยาบช้าดุรแรงบางคนลุ่มหลงมงมงายบางคนละโมบโลภจัดบางคนมีจิตใจมุ่งร้ายมุ่งเบียดเบียนมุ่งความพินาศเป็นต้นให้มามีจุดนัดพบกันที่ธรรมะด้วยการทรงใช้ธรรมะขัดเกลาจิตของบุคคลเหล่านั้นแตกต่างกันแต่ผลที่เกิดขึ้นจากการขัดเกลเห่านั้นมามีจุดรวมกัน คือธรรมะที่แต่ละคนได้ลงมือประพฤติปฏิบัติจนสัมผัสผลในชั้นนั้นๆการเป็นสารถีฝึกคนอย่างยอดเยี่ยมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่เรื่องลือไปในหมู่นักปราดราชบัณฑิตทั้งหลายคราวหนึ่งสารถีฝึกม้าในแคว้นโกศลที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งชื่อว่านายเกสีได้มากราบทูลถามพระพุทธเจ้า ถึงเรื่องการฝึกคนของพระองค์แต่พระองค์ได้ถามนายเกสีก่อนว่าเธอมีวิธีฝึกอย่างไรแกก็บอกว่าแกจะฝึกม้าที่ควรจะฝึกได้ส่วนม้าตัวตัวใดที่ฝึกไม่ได้ก็จะฆ่าเสียมเมื่อกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงโดยทํานองเดียวกันนายเกสีกเกิดสงสัยว่าพระพุทธเจ้าฆ่าคนได้หรือ รับสั่งว่าไม่ได้ฆ่าอย่างนั้นแต่หมายความว่าคนใดที่ฝึกไม่ได้จริงๆก็ชื่อว่าเป็นคนที่ฝึกไม่ได้เป็นอภพระบุคคลในศาสนานี้พระองค์ก็จะไม่สั่งสอนเพื่อประโยชน์ในชั้นนั้นดั้นั้นการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเน้นไปที่พุทธเวทในดังที่ได้กล่าวมาแล้วคือสอนเฉพาะคนที่สอนกันได้ ให้สามารถรับประโยชน์ในชั้นใดชั้นหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าคนที่ไม่ยอมรับอะไรเลยเหมือนกับภาชนะที่ปิดฝาเอาไว้แม้ฝนจะตกลงมาอย่างไรก็ไม่อาจที่จะรับน้ำฝนซึ่งตกลงมาได้บุคคลประเภทนี้ก็จะไม่สั่งสอนเหมือนกันในยะแห่งพระพุทธคุณบทนี้เมื่อบุคคลน้อมนำมารำลึกด้วยบทว่าอิติปิโสภะกวา อนุตโรปิสธรดามาสารทธิเพื่อให้จิตใจเกิดความสงบอยู่ในพระพุทธคุณบทนี้ก็เป็นพุทธพุทธานุสติโดยนัยะที่ได้กล่าวมาแล้วในบทก่อนๆในชั้นของการพินิษพิจารณาจะเห็นความเป็นอชิรยะพิเศษของพระพุทธเจ้าที่สามารถฝึกคนโหดร้ายรุนแรงเช่นโจรองคิมานเช่นช้างธนาบานเช่นอาโลกยักษ์เป็นต้น ให้ใครพยศไยรลงไปได้และสามารถฝึกคนซึ่งเป็นเจ้ามานะเจ้าทิฏฐิถือตัวเองเป็นศาสดาของคนอื่นมาเป็นเวลานานเช่นท่านปุราณกัตสปะให้ยอมเป็นลูกศิษย์ได้ฝึกคนที่มีความเกลียดกราดรุนแรงเช่นพระเจ้าจันทประโชดซึ่งเป็นพระเจ้าแผนดินได้ตลอดถึงคนใหญ่ๆตัวโตในสมัยนั้นเป็นนันมากให้มายอมเป็นลูกศิษย์ได้นั้น แสดงถึงพระปรีชาสามารถในการฝึกคนอย่างยอดเยี่ยมตามนัยยะพุทธคุณบทนี้และส่วนการที่จะน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติบุคคลก็จะได้นัยยะแห่งการฝึกตนเองว่าการฝึกตนเองนั้นเป็นหลักการที่มีความสําคัญมากซึ่งจําเป็นที่จะต้องตรวจสอบว่าเรานั้นอยู่ในประเภทที่ต้องการผลมาก แต่ขี้เกียจทำงานหรือต้องการผลมากแต่ขยันพอประมาณหรือต้องการผลมากจะใช้ความเพียรพยายามเต็มที่เมื่อมีการวิเคราะห์ตรวจสอบตนเองดูแล้วถ้าอยู่ในประเภทที่หนก็พยายามทำงานในลักษณะที่ก็ให้เกิดผลในการขจัดกิเลสในจุดนั้นๆเช่นการปลูกฝังเมตตาจิตให้บังเกิดขึ้นในแต่ละวันแต่ละเวลา ที่สามารถจะกระทำได้ตัวเมตตาจิตที่บังเกิดขึ้นนั้นพอมีปริมาณสูงขึ้นแล้วก็จะเกิดควบคุมอาการกายวาจาโดยนัยะที่ได้กล่าบมาแล้วเองแต่ถ้าหากว่าเป็นบุคคลประเภทที่สองคือต้องการผลมากและพร้อมที่จะใช้ความเพียรพยายามในระดับหนึ่งก็ลงมือประพฤติปฏิบัติฝึกปลือทรมานตนดัดตนตามสมควรแก่กรณีนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการฝึกจิตใจนั้นจะต้องไม่ตามใจตัวเองเป็นประการสำคัญเพราะถ้าหากว่ายังมีการตามใจตนเองอยู่แล้วจิตใจของบุคคลส่วนมากจะเลื่อนไหลไปตามกระแสของกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสายโลภะถ้าหากว่าเวลาจิตต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้แล้วก็กระทำไปาตามที่จิตประสงค์ ในที่สุดแรงต้านทานอารมณ์ก็จะไม่บังเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีเสียงกระซิบจากกิเลสจากตัณหาเหล่านั้นจะต้องไปกระทาจะต้องไปพูดตามกระเสียงกระซิบเหล่านั้นดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องใช้วิธีฝึกที่ท่านเรียกว่าธรรมะคือฝึกจิตใช่บ้างและบางโอกาสก็ต้องพยายามข่มอารมณ์ใชบ้างต่การข่มอารมณ์ในที่นี้ ให้พึงสังเกตว่าไม่ได้ข่มทุกอารมณ์แต่อารมณ์ที่จะต้องข่มนั้นคืออารมณ์ที่เมื่อดูเมื่อเห็นเมื่อได้ยินเมื่อสูดดมเมื่อลิม้มเมื่อถูกต้องเมือม่อตรึกนึกแล้วเป็นการเพิ่มปริมาณของกิเลสก็ให้เกิดความกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลง ม, ม, มัวเมาสูงขึ้นแต่ถ้าหากว่าอารมณ์ใดที่จิตใจโน้มน้อมเข้าไป มีลักษณะผ่อนคลายความกำหนัดผ่อนคลายความขัดเครืงผ่อนคลายความรุ่มหลงผ่อนคลายความบวบเมาคือตกไปในกระแสของกุศลอย่างนั้นก็เป็นจิตที่บุคคลควรประคับประคองให้ดำเนินไปในคันลองแห่งกุศลเหล่านั้นการปฏิบัติเพื่อฝึกตนเป็นเรื่องของบัณฑิตชนทั้งหลาย ซึ่งในกรณีนี้ท่านแสดงให้เห็นได้ว่าช่างสอนย่อมดัดลูกสอนช่างไม้ย่อมถากไม้ชาวนาย่อมไถน้ํำข้าวน า, า, น า, นาช่างถากย่อมถากไม้ให้เป็นวงกลงล้อตามที่ตนต้องการฉันใดบัดณฑิตในพระศาสนานี้อาศัยตัวอย่างแห่งบุคคลเหล่านั้นแล้วพยายามฝึกปลือตนเองหัดทรมานตนเองหักข้ามใจตนเองไปบ้าง เมื่อมีการสร้างความเคยชินใหม่ให้แก่จิตแล้วจิตก็จะตกไปในกระแสะแห่งกุศลความพอใจความยินดีในกุศลและธรรมเหล่านั้นก็จะบังเกิดขึ้นถ้าหากว่าอยู่ในประเภทของผู้ยินดีที่จะลงทุนลงแรงใช้ความเพียรพยายามเพื่อผลที่ตนต้องการแล้วจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่มีความสาคัญมาก ผลที่บุคคลเหล่านั้นต้องการจะเกิดขึ้นตามสมควรแก่กำลังความเพียรพยายามที่เขาได้ประกอบกระทำลงไปการปฏิบัติฝึกหัดจิตในข้อที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติไม่ผิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเน้นไว้ที่ข้อหนึ่งเรียกว่าชาคริยานุโยคคือการประกอบความเพียรด้วยความเป็นผู้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาท ไม่ปล่อยการเวลาให้ผ่านพ้นไปโอกาสใดที่จิตคิดพร่านไปในกระแสของอกุศลก็ดึงจิตเหล่านั้นจิตกลับมาสู่กระแสแห่งกุศลแธรรมเวลาจิตใจเลื่อนลอยไปในเรื่องที่ไม่ได้ประโยชน์ก็พยายามทำจิตให้ส ง, งบอยู่ในกุศลละธรรมข้อใดข้อหนึ่งเป็นต้นซึ่งการปฏิบัติดัดจิตในลักษณะนี้ไม่ได้เลือกกาล ไม่ได้เลือกเทสะในขณะใดที่บุคคลมีสติรู้รู้ทันว่าจิตกำมังจะตกไปในกระแสะแห่งอกุศลก็ดึงกลับมาสู่กระแสะแห่งกุศลได้การปฏิบัติเพื่อฝึกจิตเพื่อทรมานจิตได้เช่นนี้ชื่อว่าได้เป็นการสัมผัสคุณของพระพุทธเจ้าในบทว่าอนุตตโรปดิสดามสารถิเพราะเหตุว่าตนนั้น ฝึกได้ยากอย่างยิ่งบุคคลสามารถฝึกคนอื่นเป็นร้อยเป็นพันได้แต่บางคราวก็ฝึกตนเองไม่ได้ดังนั้นใครก็ตามที่ฝึกตนเองได้จึงชื่อว่าเป็นการฝึกที่ประเรสริฐสําหรับบุคคลผู้นั้นเป็นการชนะกิเลสชนะอารมณ์ชนะตนเองได้ในบางโอกาสซึ่งดีกว่าการชนะค่าศึกเสร็จสูทั้งหลาย เพราะทรงแสดงไว้ว่าชนะตนนั้นแหลประเสริฐดังนี้ต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทําความสงบเสื่อต่อไป